บทภาชณีติกาปาจิตตี462อุปสัมบัญภิกษุสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันใส่ความด้วยอ บ, บัตสังฆธิเศตที่ไม่มีมูลต้องอบัตปาจิตตีอุปสัมบัญภิกษุไม่แน่ใจใส่ความด้วยอ บ, บัตสังฆธิเสตที่ไม่มีมูลต้องอบัตปาจิตตีอุปสัมบัญภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบัญใส่ความด้วยอบัตสังฆทิเสตที่ไม่มีมูลต้องอบัตปาจิตตีทุกกฎ ภิกษุใส่ความด้วยอาจาระวิบัติหรือทิฏฐิวิบัติต้องอบัตทุกกภิกษุใส่ความอนุปสัมบันต้องอบัตทุกกอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอบัตทุกกอนุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกอนุปปัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันต้องอบัตทุกก